หลวงพ่อแจกนวดนเสน่ห์ให้นะเวลาพูดต้องพูดให้ให้เพราะนะถ้าพูดไม่เพราะในปากแตกเหมนก้นนะหลวงพ่อให้นวดนเสน่ทาปากนะถ้าใครทาปากดีแล้วพูดดีเนะี่ยเป็นสีแก่ปากถ้าเป็นภาพทาไปแล้วทําพูดมากกับปากเป็นสีเมือนกัน ถ้าใครยังไม่ได้ยกมือนะเดี๋ยวอาจารย์เฉลิมมองไม่เห็นบาทราบว่ได้สุดไปหอดบ้านในเตะใส่เตะขวาเตะเตสาเขื่อนขนาดแข้งหักซ้ำผมโมโหเลยไปบ้่บ่บบบได้หนวดโมโหเลยเมื่อหอดบานเตะเสาเขื่อนเจ้าของกันพระไตรปันญได้บอกอาจารย์เฉลิมนะมันมาเอาอีกแล้ยังเหลืออยู่เลยทาไม่ได้เลย แม่เรานี่ไม่เป็นบุคคลสำคัญเลยอาจารย์เฉลิมมองไม่เห็นเราเลยพอไปกลับไปถึงบ้านโมโหแลเตะซ้ายเตะขวาไปเตะเสาบ้านเสาเรือระนาแข่งหักหมดท่านะ <c oughs> เดี๋ยวมาหาหลวงพ่ออินโอ้ยหลวงพออ่อไอหน้านะแข้งผมหักเลยจักหักเมียหนึงเรื่องไหนโอ้ไหเียแทมันโมโหข้น่อนย วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบห้ากุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าวันนี้หลวงพ่อฉันจังหันเสร็จแล้วก็คงจะได้ออกเดินทางนะคณะสัทธาญาติโยมลูกหลานจะถึงยังไงก็ดูแลหลวงพ่อไม่อยู่ก็ให้พร้อมเพียงสามัคคีอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดเคยกล่าว หลวงพ่อไปก็เป็นห่วงเหมือนกันพระทั้งหมดเดี๋ยวนี้มีอยู่สามสิบเจ็ดองนะในวัดของเราแต่ถึงยังไงก็นะ่ยฝากไว้กับพวกศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนอ่ะไม่ใช่ว่าหลวงพ่ออยู่เออเอาอาหารมาถวายทูลพ่อไม่อยู่นะเอ้ยพระเหล่านี้เป็นพระประธานหรอกท่านไม่นฉันอาหารหรอกไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะอพวกเราต้องช่วยๆกันดู ก่อนที่จะใหญ่ได้มันก็ต้องเล็กซะก่อนนะเน่ยเหมือนกับลูกของเราแนตะ่มันทำงานยังไม่ได้ไม่ต้องให้มันกินหรอกนะตายก่อนเลยทำยงไงเราก็ต้องเลี้ยงขึ้นมา้ า, ารุณหนอมขึ้นมาต่อไปก็เป็นผู้ใหญ่พวกเราไม่เลี้ยงจัตวาญาิโ ย, ายงไม่ดูไม่แลไม่อุปถัมภะถากไม่เลี้ยงไว้ พาลูกพาหลาน ใ, ใหญ่ได้ยังไงเพราะฉะนั้นพวกเราต้องช่วยๆกันดูหลวงพอ่อยู่แล้วไม่อยู่ก็ให้นะช่วยกันดูแลพระสงฆ์ส่วนพระสงฆ์กลุมเหมือนกันหลวงพ่ออยู่แล้วไม่อยู่ก็ให้มีธรรมวินยัยกฎระเบียบคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมอย่าทําตนไม่ดีหลวงพอ่อยู่เป็นมัพับ พอหลวงพ่อมาอยู่นะเป็นตะโกอนยะ่างนั้นใช้ไม่ได้เราต้องเชื่อกรำรเชื่อผลของกรรมกรรมคือการกระทำถ้าเราทำดีเมื่อไรมันก็ดีถ้าเราทำชั่วถึงจะหลวงพ่อจะอยู่หลวงพ่อก็คุ้มครองไม่ได้เหมือนกันนะพอเราทำชั่วเหมือนกับพวกเราไปจับไฟเลยใช่ไหมหลวงพ่ อ, อยูวัดเนละจับไฟไม่รอดของเราเลยไปลองหน่อสิ อหลวงพ่อไม่คุ้มครองทั้งขนาดนั้นนะถ้าพวกเราหลวงพ่ออยู่จับไฟก่อร้อนหลวงพ่อไม่อยู่จับไฟก่อร้อนเพราะอะไรเพราะไฟนี่ก็เหมือนกันถ้ากรรมชั่วในสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทําเสลยดีกว่าในเมื่อหลวงพ่ออยู่มันก็คําคือความชั่วถ้าหลวงพ่ออยู่ก็กรรมความชั่วอยู่หรือไม่อยู่ฮะ ก็คือความชั่วอยู่หรือไม่อยู่ถ้าเราทําความดีก็คือกรรมดีเพราะฉะนั้นอย่ามีที่รับอย่ามีที่แจ้งให้เชื่อตัวเองเชื่อกรรำเ ช, ชื่อผลของกรรมกรรมคือการกระทํรานิพานเอ็นลูกหลานทุกองคนะสัตยาญาณโยมทุกคนถ้าวันไหนพอมีเวลากล็อ้อาวครูบาที่ได้ฟังเอ็พสามหลวงพ่อ การไหนที่หลวงพ่ออบรมตอนเช้าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มของเราก็เปิดให้ฟังหรื่อเทศครูบาจารุวง์ไหนที่จะมีประโยชน์ที่มันสั้นไม่ยาวมากก็เปิดให้หมู่พวกเพื่อนฟังเพื่อการศึกษาเรียนรู้แต่ละวันละวันก็เกิดประโยชน์เหมือนกับเรามาเข้าโรงเรียนลักษณะอย่างนั้นแหะมาวัดสุวัดวาศาสนา อาศัยการเรียนรู้อาศัยการศึกษาจากนั้นก็นำไปประพฤติปฏิบัติฟังวันนั้นบังฟังวันนี้บังเหมือนเด็กนักเรียนพวกเรายัางเรียนอยู่ยังเป็นเสขะอยู่ผู้ต้องศึกษาถ้าเป็นพระราหันแล้วไม่จำเป็นเป็นเสขะผู้ไม่ต้องศึกษาถ้าเป็นยังเป็นเสขคอยูอ่ผู้ต้องศึกษาจะต้องเรียนรู้ เรื่องกดระเบียบหลักพระธรรมวินัยเหมือนเกิดเด็กนักเรียนไม่ใช่ว่าเข้าโรงเรียนเสร็จแล้วเข้าวันเดียวเตียนกอไก่จบแล้วจบไม่ใช่ปิชาที่จะต้องเรียนมีมอีกเยอะแยะนี่ก็เหมือนกันหลักธรรมคำสอนของพุทธะที่หลวงพ่อให้แนวความคิดมากมายหลายแนวทางจะในการเป็นอยู่ของเรื่องศีล แนวความคิดส่วนตัวเรื่องสมาธิปัญญาเรื่องการอยู่ด้วยกันควรจะเสียสละอย่างไรอันนี้เรื่องทานนี่แหละมันมีหลายระ ม, มีหลายระดับแต่เรื่องความคิดของตนเองนะจุดนั้นสําคัญเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมันต้องใช้สมาธิหรือใช้แนวความคิด ปรับปรุงกายใจของตนเองปรับปรุงใจของตนเองจะคิดยังไงที่ว่าจัดเป็นสัมมาทิฏฐิจิตยังไงเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าว่าใจิตใจของเราไม่มีสมาธิในการคิดในจุดนั้นเราตัดสินใจไม่ได้หรอกอไม่รู้อะไรเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยไม่รู้อะไรต่อไม่อะไรมาลุ่มมาล่าอรุ่มล่ำไปหมดนะไปเลยเพราะว่าใจของเรา ไม่เป็นหนึ่งแต่ว่าใจจิตใจของเราเป็นหนึ่งแล้วเราจะมองเห็นได้อันนี้แหละคือการศึกษาสรุปแล้วก็คือออกมาจากการศึกษาการเรียนรู้สุดตรมยะปัญญา จ, จินตามยะปัญญาอย่างที่หลวงพ่อนี่ยกแล้วพูดอีกสรุปแล้วก็คือต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังเพรนั้นเวลาหลวงพ่ออยู่หรือไม่อยู่เมื่อมีโอกาสก็เปิด เห็พสของหลวงปู่หลวงตาไม่ใช่หลวงพ่อไม่ได้กําหนดกฎเกณฑ์ให้ฟังแต่หลวงพ่อไม่ใช่แต่ก็ผู้ฟังผู้จะเปิดก็ต้องฟังซะก่อนจึงนํามาเปิดให้หมู่ฟังเออเราฟังกันนี่ดีวะมีประโยชน์ถ้าเราเปิดในสุมชนถึงจะเป็นดุดาว่าเก่าวก่อนดุดาว่าเก่าในหลักเหตุผลฟังดูแล้วเป็นข้อปฏิบัติสําหรับ พวกเราอยู่ด้วยกันถ้าเราจะด่าเองเราก็ไม่กล้าจะดา่าดุดา่าเอาหลวงพ่อด่าแทนเราก็แล้วกันวะนี่เราก็ต้องศึกษาฟังดูซะก่อนอหลวงพ่อแนะนําแต่หลวงพ่อก็มั่นใจที่พูดไปแล้วนั้นไม่ได้เพื่อจะทําร้ายทําลายลูกซิ์ลูกหาไม่ทําร้ายทำลายาประเทศชาติบ้านเมืองวงศาคณาญาติไม่ทําร้ายบุบุคคลใดใครผู้หนึ่ง มีแต่พยายามบอกแนวว่ามันไม่ทุกสิ่งที่มันไม่ถูกจะว่าถูกได้ยังไงว่ามันไม่ทุกถ้ามันทุกมันควดทุกจะไปผิดได้ยังไงเนื่อว่ามันทุกเนี่ยสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงต้องอาศัยการได้ยินได้ฟั ง, ไ ด, ฟงได้ศึกษาแต่เรื่องการอิจฉ้าพยาบาทกันมันไม่เป็นผลดีเสียหายหลวงพ่อก็เคยพูดอย่างที่มองกีเนี่ย หลวงพ่อเห็นอาจารย์เฉลิบแจกนวดครีมสำหรับทาปากไม่ให้ปากแตกบอกว่าันหน้านี้เป็นหน้าหนาวค้นมาถวายถวายหลวงพ่อหลวงพ่อเอ อ, เ อ, อแจกญาติโยมแต่พ้านเนก็เคยมีแจกหลายครั้งแล้วล่ะอันนี้แจกญาติโยมที่มา แต่แจกให้ทั่วถึงนะพอมันเหลืออยู่มันมีอยู่เออนี่แหละอันนี้ก็คือหลวงพ่อก็เนี่ยการแจกให้ทั่วถึงการแจกไม่ทั่วถึงถ้ามันน้อยจะทั่วถึงได้ยังไงมันหมดแค่ใดก็หนึ่งอผู้ที่ไม่ได้ก็ต้องเสียสละเพราะมันมาไม่ถึงมันหมดแต่มันพอทั่วถึงได้อยู่เอาทั่วถึงมันมีเลยจตหาญาติโยมลูกหลาน หลวงพ่อพูดอะไรหลวงพ่อจะอ้างอิงถึงเรื่องนิทานเรื่องชาดกเรื่องความเป็นมาของพุทธนะเนอ่ยในครั้งพระพทธเจ้าของเรากคนเนี้ยพระทับพมัระบุตรน้องชายของพระสารีบุตรเพราะพระสารีบุต ร, รตมีน้องชายถมีน้องสาวน้องชายทั้งเจ็ดคนเลยท่านมีพี่น้องมากหลายหลายคนแต่ตระกูลเศรษฐีนะี่ย แต่ในภาษาลิบตทท่านออกบวชเป็นพี่ชายใหญ่พอออกบวชเสร็จแล้วนะท่านก็ชักชวนน้องๆเอ้ยสู่เจ้าจะไปอยู่ทำไม เ, เห็นอยู่ก็อยู่ในโลกมันมีอะไรออกปฏิบัติเนี่ยผ่พาภาวนาทางแม่เนี่ยโ อ, อย้มีทรัพย์ทั้งแปดสิบโกดนะลูกสาวลูกชายหนีออกไปบวชมดพอภาษาลิบตทแนะนำ สูญเจ้าเจ้าจะไปเอาไรโลกียะอได้มาแล้วก็เกิดแก่เจ็บตายเอาโลกุตระเนี่ยอันที่มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเน่ยเ อ, เอาหาโลกุตระเข้าสู่จิตใจโลกุตระธรรมโลกียะธรรมมันเสื่อมได้มันหมดได้อน้องๆทั้งหลาย เ, ยเอาอย่างพี่เนะพี่เนี่ยได้โลกุตระแล้วโลกุตรธรธรมทำมันไม่ตายทำมันประเสริฐ น้องๆตอนแรกก็ฟังเกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสทางผู้หญิงกระบวตเป็นภิกษุณีทางปวดไฟน้องชายกระบวตเป็นพระในพระพุทธศาสนาองค์สุดท้องก็คือเลวตตะพระเลวตตะคือน้องน้อยกบขนที่เจ็ดหนีไปบวตเหมือนกันฮะทั้งที่พ่อแม่จะแต่ให้แต่งงานตั้งแต่อายุเจ็ดขวบไม่ใช่ธรรมดานะอายุเจ็ดขวบให้แต่งงานเพื่อจะผูกผูกลูกตัวเองไว้ ให้อยู่กับโปรงกันหนีออกไปบวชอีกแต่เนี่ยอง์หนึ่งในน้องของท่านคือ พ, พอรัทธพมรมุดท่านภาวนาได้จะอายุแต่เจ็ดขวบเหมือนกันเป็นสมณเองท่านภาวนาได้สําเร็จเป็นพระรหารแตกฉันในปฏิสัมพิทายานห่อเหินเดินฟ้าได้ดำดินเป็นบนได้แตกชันในอัดในธรรมอีกต่างหากเป็นคนที่มีตระกูลนัชหลาดพอบวชเข้ามาก็ได้สําเร็จเป็นพระรหาร ยังงี้พอมื่อสําเร็จเป็นพระอรหารแล้วเออเราจะทําหน้าที่อะไรเพราะเรายังน้อยหนุ่มนี่ยอ่ก็เลยเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์จะขอเป็นมักุเทศอ่เป็นผู้แจกอาหารแจกพระอ่าแต่พอแจกอาหารแจกพระถ้าใครมานิมนต์เจดีย์มานิมนต์กษัตริย์มานิมนต์อ่าท่านก็จดจดจดจดจดเจ้าทลายร้อยองค์อ่าท่านก็จกใส กระดาษเจ้ากี่องค์ห้าสิบองค์สาสิบองค์ยี่สิบองค์ท่านก็จดจะท่านก็แจกแจกไปตามตามที่เขานีมนต์แล้วก็อาหารที่ได้มาเนะี่ยเอาแจกท่านก็เป็นผู้เป็นผู้แนะนําเป็นผู้แจกเอทั้งอาหารด้วยทั้งเสดานะด้วยท่านเป็นผู้มีฤทธิ์บางทีพระมาในทิศ ท, ทั้งสี่มามากมากนะเออ พระพมรบุตรมาตามหลังผมปะทำไมก่อนไม่มีไฟฉายเลยไม่มีไฟฉายไม่ไฟเทียนมันก็หน้าหนาวเป็นรู้จัจุดเทียนยังไงเตือนตามหลังพระพระทัพพระพระทัพพมรบุตรพระทัพพมรบุตรต้องใช้ฤิธิ์เลเอาชี้นิ้วมือเข้าไปเหมือนกับไฟฉายสว่างเออพอชีเอาไปองคนั้นไปพักที่นั่นองคนี้ไปพักที่นี่เออวันที่สุดพระทั้งหลายก็เลยอยากจะรู้ว่า อยากทั้งที่ทั้งที่จะมาตะวันนะทั้งที่อยากจะมาตะวัน อ, อยากจะเห็นนิ้วมือของพรทัทธพมลระบุตรมีแสงสว่างออกพนะ่ผมากันมาเ ม, มื่อจริงเยพระแต่งไไัยก่อนก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะเล่เหลมชั้นเชิงนะแล้วก็ส่องไปให้พระ อ, องค์นั้นพักเป็นผู้ดูแลจัดเชนาธนะแต่ขนาดนั้นก็ยังมีผู้อิจฉาด้วยนี่ยนี่ยะ ความอิจฉาของคนเน่มันไม่ใช่ธรรมดานะค่ะสัยายญาติโยมลูกหลานเนะขนาดทำดีขนาดไหนมันก็อิจฉามันก็ยังมีพวกเหนือกว่าตัวเองนะเออบานนี้มีพระองค์นึงถงเนียชื่อพมเมกียะเป็นผู้มีกิเลสนะราคาโทสัตเต็มหัวใจเกินกว่าอีกนะไม่ใช่เต็มหมันล้นหัวใจมันะทีนี้นก็เวลาพระพัทธปรบัรบุเจี๊ย แจกให้เอาองค์นี้ไปฉันกษัตริย์นะในวังนะองค์นี้ไปฉันในบ้านเศรษฐีนะตอนนี้พระทับไอ้พระเมกียะองค์นี้เนะ่ยเวลาท่านแจกไปเนะี่ยตัวเองไปถูกนู่นไปถูกคนทุกอคนอนณาถาบางคนอะไรที่มลพระสี่ห้าองค์เขาไมนตลไปไปตกที่นั่นที่เศรษฐีร่ํารวยเนี่ยมันไม่ตกไม่ไปไม่ได้ไป เพราะมันมั น, มนองคนี้ท่านก็จัดไปตามนะครับใจมากก็จัดจัดจจจั ด, จ ด, จ ด, จดลักษณะอย่างนั้นเอพอตกหลายครั้งหลายโหักงเออพระทัพพระบรรบุตรเนี่ยไม่เป็นธรรมอ่าใครเข้ากันแกล้งเราทั้งที่จัดอาหารมาพอมาถึงเราก็หมดอพอมาถึงเราก็อาหารแบบอไปปลายเวลาจัดให้เราไปรับที่มณฑ์ก่อน ไปองค์ไปบ้านคนทุกคนจนใกล้ๆกว่าเป็นบุญวาดชนาบารมีของตัวเองไม่มองนะจุดนั้นไม่มองแล้วเพราะตัวเองคงจะเคยกันแกล้งแล้ะเคยไม่เคยทําบุญไว้ในอดีตแต่ชาติมันก็อทะนี้ก็สั่งสมสั่งสมขึ้นมามากเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆขึ้นมาเนะี่ยถ้าพอพระธรระบาลบุตรท่านก็ไม่รู้นะเอไม่รู้บอกองคนะนั่นน่ะท่านกุท่านมีญานะ ทัศนะก็จริงอยู่แต่ไม่ใช่ว่าท่าจะเปิดแบบเรดาร์เปิดทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมเมื่ออยากจะใช้เรดาร์ท่านก็จะค่อยเปิดเหมือนกับไฟฉายของเราเนี่ยจะเปิดไฟไฟฉายว่าทั้งวันทั้งคืนแสงสว่างส่องหัวใจคนนั้นส่องหัวใจคนนี้ทั้งวีทั้งวัน่ท่านก็คงจะอ้วกแตกเหมือนกันหลวงพ่อว่าอันนี้ไม่ใช่คําพูดของท่านหรอกทำไมจะอ้วกแตก พอทุกคนน่ยบางทีเกิดโลภบางทีก็โกรธบางทีก็หลงบางทีก็รักบางที ก, ก, งทก็เกลียดโอ้ถ้าหากว่าเอายาลัทธิณะไปส่องไว้ใจพวกเราเนี่ยท่านก็คงจะออกออกออกออ ก, ออ ก, ออกทางวันว่างั้นเพราะอะไรเพราะมันเต็มไปด้วยกิเลสใช่เอมกิเลสราคะโทสะโมหะของปุถุชนเนี่ยใช่ไหมท่านก็คงจะจใช้เออมันเรื่องราวมันเป็นยังไงเนี่ย ท่านคงจะส่องดูในจุดนั้นแหละท่านก็ปิดไฟฉายไว้ฮะปิดเลด้าไว้ถ้าท่านอยากจะรู้ท่านค่อยเปิดลักษณะอย่างงั้นอันนี้พัทธภะเมกียาเนี่กัอนนะอิจฉาอยู่ในใจพระนิสสุก็เลยเอไปสมคบกับนางพิกษุณีคนหนึ่งพิกษุณีก็หยุดอยู่ในนั้นแนหะพิกษุณีกับพระภิกษุมันอยู่คนละวัดกันเนะยะสด้ว่าไปคบกับนางเมตยา คงจะเป็นเขือญาติและวงสาคานาญาตและเป็นอะไรก็ไม่รู้ล่ะคนสนิทกันน่ะก็เลยไปบอกเอ่ยเ ม, ม, มตตยา เ, เนี่ยเนี่ยเราจะหาเราจะโจดพระทัพ พ, ร พ, รพรมรบุตรนี่นะเอี่ยเพราะมันดูดูแล้วมันไม่เป็นธรรมเลยเทําอะไรกันแกล้งเราตลอดให้นะให้น้องหญิงออ่ะเรับเป็นภาระให้ด้วยนะอทําอย่างนี้อย่าง น, าง น, างนี้อย่างนี้นะี่นะ รับได้ไมาได้ไอ้นางปิตยาเนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาเมือนกั น, น, กนกว่างัา้นแหละคล้ายๆกัอหลวงพี่ว่ายังไงก็เอาตามนั้นแหละผิดถูกไม่ว่าว่างั้นแหลอจะไปนรกด้วยกันจะไปที่ไหนกันนะั่นแหละปีวันหลวงพี่บอกแล้วรับหมดให้ทำยังไงยังไงวางแผนยังไงแต่นี้ก็ เสร็จแล้วพระเมฆียากระจ์ขึ้นมาในถ้มกลางสงเลยเนี่ยน่ะดูก่อนสงทั้งหลายพระสงฆ์ทั้งหลายพระทัพพมรบุตรเนี่ยไม่ใช่เป็นพระที่ดีนะเป็นพระที่เร็วสามสา ม, มานที่สุดไนะเนี่ยน่ะไปต้องอาบัติอาบัติปาาชิตอาบัติหนักมาแล้วเนี่ย ไปทำไม่ดีไม่ร้ายกับนางพิกุลนะีเมตตาญาเนะี่ยที่ตีนเขาตีตีนเขาคิดจูดในเวลาเท่างวันนั้นวันนี้ในช่วงนั้นช่วงนี้อคนหาเรื่องใช่ไหมล่ะก็ต้องนั่นะแต่ลืมคิดไปว่าลืมคิดไปอตอนเวลาแปดนาฬิกาสถาการณ์อย่างเงี้ยกลืมคิดไปว่าในช่วงที่แปดนาฬิกานะ พระทพพอมาละบดังยังแจกอาหารอยู่เนี่ยจะไปไปได้ยังไงใช่ไหมถ้าไม่ไม่แปลงร่างไปใช่แต่ลืมคิดคนหาเรื่องมันนั่นแหละมันต้องมันมันมันต้องจะเผามักไงมันต้องเอขาดตกบกพร่องเป็นธรรมดานะเพราะมันหาเรื่องใช่ไหอผลโดยส่วนก็พอโจทย์พระสงฆ์ทะเลก็งงแตกเหมือนกันนะเออเออเป็นยังไงเรื่องนี้มันเป็นยังไงปะ พอมีพระโจดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีจำเลยพระพระพระทัา พ, พระมารบุตรเป็นจำเลยแต่น่มีขี้ยาเป็นโจทนะเนอยทีนี้ก็นะเมตยาพิจุนีเป็นผู้เสียหายเนเป็นผู้เสียหายแต่นี้ก็พระพุทธเจ้าก็เ น, นี่ยนะให้พระอุปัรีเนะี่ย พระอุเบกเป็นผู้ชํานาญทางวินัยใช่ไหมในขไปนั่นก็นคือว่าเป็นพิพากษาเนี่ยเป็นอายการทําไมนั้นพิพากษาอายการคงอยู่ด้วยกันมัม้งเป็นผู้ชํานาญเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัยท่านก็บอกเอาอุเบกไปตรวจสอบด้วยซิเรื่องราวเป็นยังไงเพราะอุเบกคือเป็นเป็นลูกน้องของเอ พออนุรุธะกิมภริวัคคุมาจากกรุงกบิลพัทไนะบวชเข้ามาแล้วเป็นช่างกันบกเป็นช่างกันบกเป็นเครื่องปงผมเป็นฟังตัดผมหมวดได้ก็ได้สําเร็จเป็นพระหรหันต์ได้รับเอธะตคะจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศกว่าพิกษุทั้งหลายในชําระคดีความเรื่องคดีความทั้งหลายแลถ้างอุบุลีเข้าไปจัดการไปว่าเรื่องนั้นลาบเปรียบพระพุทธองค์ยอมรับได้ เป็นผู้รอบคอบมากแต่ใ น, นเอาอุปเลย์ไปดูสืบสอบโจดและจำเลยเป็นยังไงแล้วผู้เสียหายเป็นยังไงพอเรียกโจดมาก็สอบเพราะจำเลยแล้วก็ผู้เสียหายมันก็นลับปากนะใช่อถ้าพอมันระบุนะไปทําไม่ดีไปไล่กับข่าอยู่ตีนเขาขี้จูกเวลาเท่านั้นเตอนนี้ออพอถามโจด ผู้เสียาหายโแล้วก็ถามจำเลยว่าถ้าประทับพมันระบุตไปยังไงเอในขณะนั้นนี่พวกท่านทั้งหลายเห็นไหมผมแจกอาหารผมจัดอาหารอยู่ที่วัดป่าเวลุวัวนอผมจัดอาหารอยู่เนี่ยผมจะไปทําอย่างงุ่นได้ยังไงใครเห็นไหมในช่วงนั้นสงฆ์ทั้งหลายก็เห็นอ่าเป็นชักขีพยานให้ได้เในขณะที่นั้นนะ มันต้องหาเรื่องใส่แน่ๆนแต่นี้ก็ถามเข้าไปพระในสูชก็จำนวนต่อหลักฐานทำไมพระนสูชก็เลยรู้ว่าความอิจฉาเรื่องแจกอาหารเรื่องแจกเรื่องอกิจนิมนต์ไม่ได้ไปบ้านคนรวยและก็หลายเรื่องก็เลยไปสมคบกับเมตายาเปกชุณีหาเรื่องใส่ พระทัพพมะบุตรตอนนี้พระทัพพมรบุตรก็บอกว่าในขณะที่พระอุบาลีทมเป็นไงท่านทัพพมรบุตรท่านไปทำอย่างนั้นจริงไหมอันนี้คำนี้โอ้เป็นคำคมที่ว่าชัดเจนพระทัพพมะบุตรบอกว่าในเมื่อข้าไปเจ้าอายุเจ็ดขวบข้าไปเจ้าได้อายุเจดขวบ ได้บวชมาได้เรียนศึกษาได้บรรลุธรรมได้เป็นอระยะบุคคลตั้งแต่อายุเจ็ดขวบแม้แต่หลับข้าพเจ้าก็ไม่เคยฝันถึงเรื่องกามะขุนเรื่องกามัคิเลตัต น, นั้นไม่ต้องพูดถึงว่าข้าพเจ้าจงต้องคิดจะต้องทำจะต้องพูดขนาดฝันข้าพเจ้าก็ยังไม่เคยฝันถึงมันเลย ท่านประกาศตัวของท่านเลยเอาความบริสุทธิ์คือพระหันต์ออกมาจืนยันเลยนั่นแหละน่แหละคือคนกล้าเพราะตัวเองไม่ได้ทำจะไปไปเสีทกเสทกสะทานทำไมให้ท่านเป็นพระหันต์อีกต่างหากแม้ตลับข้าพระเจ้าก็ไม่เคยฝันถึงมันเลยเรื่องการ ม, ม ก, กิเลสจุดนั้นนี่อันนี้ก็คือผลในสุดก็เลยพราผุ่มมัติกาก็ ยอมรับว่าตัวเองผิดก็เลยจับศึกนางพิสุนีก็ไล่ศึกออกไปนี่แหละเรื่องการอยู่ด้วยกันและวกาการออจฉาพยาบาทแลว้วก่อนไอจฉากันเนี่ยไม่ใช่มีแต่ในครั้งนี้นะศรัทธาญาติโยมลูกหลานในครั้งพุทธกาลก็มีที่หาเรื่องหาเราทับโถมกันมีมากต่อมากในพระวินัยของพระพุทธเจ้า สรุปแล้วก็คือเรื่องอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อวานเนหะลวงพ่อพูดเมื่อวานนะถึงจะใครจะจะทำยังไงก็ตามเจตนาเนี่ยเป็นหลักถ้าว่าเขาไม่มีเจตนาเราไปหาเรื่องใส่เขาว่าให้เขาผิดอย่างนี้นผิดอย่างนี้แต่เขาไม่มีเจตนาเจตนาหังพิกเวกัมมังวดามิถ้าว่าเราไม่มีเจตน า, เ, าเราก็มันไม่ผิดนะแต่ว่าแคร์ไหม ในการทําผิดแคร์ถ้าสิ่งไหนที่มันไม่ถูกได้ยา่าทําอย่างที่ในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยไม่ใช่ว่ามันผิดนะแต่ว่าแค่สังคมคือสังคมส่วนมากเขามองแล้วมันไม่ทอกพระพุทธเจ้ากนเมื่อมันไม่ถูกประกาศพระาศาสนามันไม่ไปเพราะอะไรเขาไม่ยอมรับนะในเมื่อเขาไม่ยอมรับเนี่ยจะทํำยังไงประกาศพระาศาสนาไปเขาต่อต้านเนี่ย ก็ต้องบัญญัติจะต้องเอาเมื่อชุมชนสังคมเขายอมรับอย่างนี้เราก็เอาเถอะบัญญัติอย่างนี้ตัวอย่างตัวอย่างก็คือในครั้งพระพุทธเจ้าออของเราพ ร, พ, พระพุทธศาสนาเนี่ยต้นไม้ก็ดีดินก็ดีต้นไม้ก็ดีไม่มีวิญญาณพระพุทธเจ้าต้นไม้ก็ดีดินก็ดีไม่มีวิญญาณมันเป็นวัชพืช ธาตุสมันรวมกันขึ้นมาแล้วก็เป็นต้นไม้มันใหญ่ขยายขึ้นมาเพราะมันมีน้ํามีปุ๋ยขึ้นมาแต่ไม่มีวิญญาณแต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยกบเขียตแมลงทั้งหลายแหล่ที่มันกระโดดได้นั่นคือวิญญาณคือสัตว์เป็กสูแกล้งฆ่าสัตว์ที่ถ้าฉันต้องปาจิตติแต่ถ้าไปเป็กสูดายยาก ขุดดินตัดต้นไม้ไม่เป็นอบัตแต่ศาสนาอื่นในยุคสมัยนั้นเขาบอกว่าต้นไม้มีวิญญาณดินดินขุดไปขุดดินมีวิญญาณ เ, าเขาก็ต่อต้านเลยเขาบอกพระสักยะบุตรสมณะสักยะบุตรลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่มีศีลไปตัดต้นไม้ไปไดา้ยากไปทํำได้ย่างไง เหมือนกับฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทอนี้เขาต่อต้านว่าพระไม่มีศิทธ่ะเออพราะพระพองค์บอกโอ้ไม่ได้ประชุมสงฆ์นี่ประชุมสงฆ์ทำไมเพราะชาวบ้านเขาต่อต้านประกาศพระศาสนาครับเขาว่าพระไม่มีศิท์จะมาสอนเขาได้ยังไงพระทำตัดต้นไม้ได้ยากพระองค์ทั้งที่พระองค์บอกว่า ตนนั้นไม่ใช่ค่ะไม่ใช่สัตว์เออสัดต้นไม้ได้เพราะมันไม่มีวิญญาณเขาฟังมีไม่มีวิญญาณจะเกิดได้ยังไงเนี่ยคนต่อต้านในยุคสมัยนั้นไม่ใช่ธรรมดาเนีพระองค์บอกเออเอาประชุมสงแตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นใดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะบัญญัติวิ น, นัยภิกษุใดก็ตามภาคของเขียวซึ่งเกิดอยู่กับที่ให้หลุดจากที่ต้องปาจิตติ จากนั้นพระสงก็เลยไม่ดายาไม่ตัดต้นไม้ทั้งที่มันไม่พิษแต่ว่าโลกทั้งหลายเขาไม่ยอมรับเพราะว่ามันผิดเนี่ยเพิกซุก ข, ขุดเองก็ดีให้ผู้อื่นขุดก็ดีซึ่งแผ่นดินต้องปาจิตติเนี่ยนีคือสินสองรอยี่สเจดของพระนะสรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานนี่เราพูดได้เจ้าแคร์แคร์ชุมชนแคร์สังคมเพราะนั้นเวลาชุมชนสังคมพูดอะไรขึ้นมา ที่เขาไม่ยอมรับแล้วก็ต้องถอย เ, อเพราะว่ามันถึงจะอยู่ต่อไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะว่า ม, มันชุมชนเขาไม่ยอมรับ อ, อันนี้เราก็ต้องมองขนาดพุทธศาสนาพุทธเจ้าทแท้ๆนะท่านก็ยังถอยออกจากาแค่สังคมชุมชนสังคมมนุษย์โลกถ้าอย่างนั้นปัดประกาศศาสนาไม่ไปเขาต่อต้านานี่แหละเสียงทั้งหลายทั้งปวงที่หลวงพอ่อ ให้แนวความคิดกับสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายนะเอในยนุคนี้สมัยนี้อย่างพวกเราตละเถิดเถิงเราได้ยินเนี่ยเพราะชุมชนสังคมเขาต่อต้านไม่ยอมรับเราก็ต้องมองอีกจะหาทางออกทางไหนมันเหตุมันมาจากไหนถ้ามันจึงมีผลอย่างนี้มันต้องหาเหตุแล้วก็ต้องแก้ช่วยกันแก้ที่เหตุเหตุไม่อยู่จากไหนกันเราต้องมองผู้ที่เป็นต้นเหตุก็ต้องมองดูตัวของ ของข้าพเจ้าโอ้เหตุมันออกมาจากข้าพเจ้านี่เองข้าพเจ้าจะยุดนะยุดก้าเดินในจุดนั้นอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านเห็นว่าอันไหนมันเป็นเหตุประกาศภาษาสนาไม่ไปคนไม่เชื่อถือพระพองค์ก็พิบัญญัติวินะัยห้ามเปสุภาคของเขียวซึ่งเกิดจากที่ให้หลุดจากที่ต้องปาจิตีนะนะนี่แหละสรุปแล้วก็คือท่านแค ชุมชนสังคมเหมือนกันนะอนาคตตาญาติโยมลูกหลานเพราะนั่นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้านเราได้ศึกษาดูแล้วเนี่ยสรุปแล้วคือให้ใช้ปัญญาทั้งนั้นอให้ใช้ปัญญาหาเหตุและผลแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องนั้นๆอจากนั้นก็ไปได้แต่ว่าตรงไหนก็นตรงนั้นเน่ย อถ้าไปเจอเดินไปไปเจอผูก้อนเราเดินไปถึงผูก้อนภูก้อนไม่หลีกทางเอาโคตรมาเลยมาหาจกมาหาเสียมม า, เ, าเกิดมากี่พบกี่ชาติตายไปกี่ร้อยชาติก็มันก็ไม่ทะลุผูก่อนใช่ไหมละ่ะอแต่ทํำยังไงได้เราก็ต้องหลีกนต้องหลบต้องหลีกอาบางทีก็ปีนขึ้นบันบังบงังหลบไปแหละหลบไปบ้างเพื่อจะไปให้สูด ไปถึงจุดหมายปลายทางนี่แหละทะปแล้วก็คือให้ใช้สติเป็นให้ใช้ปัญญารู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางอืคนโบราณเขาให้สุภาษิตเนี่ยรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางอันนกกาอาศัยซึ่งปีคางไปสู่ทางที่ประสงค์จงดังหมายไอ้คนโบราณไอ้เขาให้คําให้คำให้สุภาษิตเอาไว้ฟังๆดูลมกระจิงนะอืม แต่ถ้าว่าหลบถ้าหลบปลีกไปเรื่อยอันนั้นก็ไม่ไม่ดีเหมือนกันต้องใช้ปัญญาเหมือนกันนะอควรจะหลบไม่ใช่ไปเห็นแล้วก็หลบไปหมดไม่ใช่ถ้าว่าตรงไหนที่มันเอมัน้มันขวางมาแบบไม่มีปีมีขุยขวางไม่ทาาฟันมันเหมือนกันนะอต้องฝันมันเหมือนกันเอทํำไมมันทําไมมาขวางละแล้วก็ต้องมีอีกเหมือนกันนะอไม่ใช่ว่าเขาขวางแล้วก็จะหลบไปหมด กัวก็ทางขี่ใจเดือนไม่ได้เลยถ้าเป็นงูเหา่ากัวจงอ่างเออมองมองดูออมันเป็นพิษภัยว่ะถ้าการหาขี่ใจเดือนขวางก็จะไปกลัวมันก็ไม่ได้แหละสัดมาเลยแบบนั้นแต่จะไปฆ่ามันทรณะเขี่ยมันออกซ ะ, ะวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดแนวหนึ่งสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายอต่อเ น, นี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรละพรนะท่ะนี่นะ